การไล่เบียพอสอในสมัยกรุงศรีตยากับรัชกาลของกรุงศรีตยาพอขอย่าต่อไปตอนนี้ก็มาถึงรัชกาลที่สี่นั่นคือปีพศหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดคุณหลวงพระโอษส์เสด็จไปตีเชียงใหม่ อระทรงสวรรคตกลางทางพระราชโอรสคือพระเจ้าทองลั่นคลองราชสมบัติได้เจ็ดวันสมเด็จพระราเมศสวนก็สมเร็จโทษเสียแล้วก็เคลืรอเครื่องครองราชแทนนี่เป็นอันว่าราชการที่สองก็กลับมาเป็นราชการที่สามใหม่นี่ใครใครลูกตาไปไหนจ้ะ เพราะนั้นน่ะว่าความแน่นอนอะไรมันก็ไม่มีพระราเม๋อวนท่านมาเป็นราชการที่สองแต่คงจะกลัวอํานาจเขาได้พราะคุณหลวงพระงั๋วเจียงได้ถวายพระราชสมบัติต่อมาคุณหลวงพระงั๋วสเสด็จสวรรคตรู้สึกว่าคุณหลวงพระงุ๋วนี่ตียาวมากก็ก็ทุนเดิมก็คือมาจาก พระเจ้าพรมหาราชตามที่ท่านบุตรเทา่าเล่าฟังคือการเล่าฟังเนี่ยท่านเล่ฟังนานแล้วคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอะไรก็จะประสมมาเซกันเป็นอันว่ารัชการที่สี่ได้แก่พระเจ้าลั่นทองนะพระเจ้าทองลั่นพระเจ้าทองลั่นคืพระเจ้าทองลั่นเป็นรัชการที่สี่ครองราชได้เจ็ดวัน สมเด็จพระราเมศวนสมเด็จโทษคือฆ่าเสียแล้วขึ้นขึ้นรองลาแทนเป็นราช ก, การที่ห้าพอพรศหนึ่งพันเก้าร้ยสาิบสอ ง, 1, 32, สองท่งเาตับอกว่าที่เชียงใหม่กว่าต้อนผู้คนส่งไปนะครศรีธรรมราชจันทบุรีใครกวาดใครต้อนกันไปรูเขาเขียนย่อไว้นี่บรโมูลมาไลา่ฟัง พศ1936พยากมูชา ย, ยกทัพมากวาดต้อนผู้คนในเมืองชนบุรีและจันทบุรีไปประมาณ 7,000 คนคามโมชานี่น่าจะกเกษียณน่าจะกเกษียณน้ำบั่นพระเสียรนะสนะแกชาจริงๆริงพศ1937สมเด็จ แต่สเสด็จไปตีกัมพูชาได้แต่ว่าภายหลังกัมพูชาก็แข็งเมืองกันอีกเรียกว่าพระรามีสวนนี่เก่งไม่ค่อยจริงนี่ต่อมาก็เป็นราชการที่หกคือพอสอนหนึ่งพันเก้ารอยยี่สิบสเด็จพระรามีสวนสวรรคตพญารามราชโอรสรองราชสมพระนามว่าพระรามาธิราช พระรามาธิราชเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเป็นอาวัตตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรเป็นประวัติต่อมาก็เป็นราชการที่เจ็ดคือพศหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองเจ้านครอินพระนุชาสมเา็จพร ะ, ร า, พ ร, ะ ร, า ร, ราชาคือคุณหลวงพระงัวมาอีก นี่น้องชายพื่อคุณหลวงต้องหัวขึ้นมาอีกเป็นอันว่าเจ้านคร อ, อินพระนุชาสมเด็จพระบรมราชาคุณหลวงพระอ่คถอดพระรามาที่บดีที่ราชแท้อา้าวแต่กูนี้ถอดเป็นตะกูลถอดเกเป็นอะไรมันอยากไม่ดีฉันก็ทอดมันส่งซะแล้ะขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระอินท ร, ราชาทิราช และพระและพระโรมราชาที่ที่ราชไปครองเมืองอะไรเนาะไปครองเมืองปท า, าคูจามออันนี้เอาแค่ถอดนะแค่ถอดบอกว่านี่แกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันไม่เก่งไม่ได้หรอกพระเจ้าแดินกรงศิียยามันต้องเก่ง พราเรามีค่าศึกมากนะเมตไกเป็นพระราชาไม่เก่งไม่ได้อเอาให้ไปเป็นหัวเมืองลูกหลวงเสียคนนี้ก็เป็นพ่อของพระเจ้าายเจายีีพระเจ้าสามพญานะอ่าเจ้าเจนะ้านคนอินนี่หรือที่เรียกว่าสมเด็จพระอินทรราชาธิราชัดทอดเขาแล้วก็ไปให้ไประโยชน์ที่เมืองหนึ่ง ต่อมาก็พูดถึงนัิยการที่แปดนักยาการที่แปดก็ได้แกข่ขส967อินธราที่ราชสวรรคตคความจริงองนี้เขาก็เรียกกันว่าพระพันวาสานะแล้วก็ต่อไปพระเจ้าสัมพญาก็เป็นพระพันวาสาเหมือนกัน ตสวนานคตโอรสที่หนึ่งกับที่สองคือเจ้าอา้ยกับเจ้าหี่ทรงยกทัพมาเชียงราชสมบัติกลางเมืองชนช่างกันเลยตายด้กั น, นสององค์โอรสที่สามคือพระเจ้าสามพญาครองราชทรงพระนามว่าพระบมราชาที่สองตอนนี้แผ่นาจากไปมากคุณแผนแสดงเอาไว้ แล้วก็พอศหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็สิบสี่ทรงยกทัพไปตีเขมรได้ให้โอรสครองโอรสที่วงคตพระ ถ, ถูกลอบวางยาพิษเขมรกลับไปอิสระแล้ย้ายจากนาครทมไปตั้งเมืองหลวงที่พนมเป็นจะไปรอดที่ไหนแล้วพอาขุนแผนใกก็ไปตีพังอีกนั่นแหละ พศ1981เลิกล้มวงพระรูปโคโไทยรวมเมืองต่างๆฝ่ายเหนือทั้งหมดมาขึ้นกับรวงศิทิยาให้เป็นทาาีเดียวกันนี่ก็มีทหารสำคัญนี่มีคุณแผนที่อย่างหนึ่งไปยกทัพตีอ่าตีอะไรเราตีดอยชนนน ไอเมือโดยฉนนนว่าไม่ใช่ดยฉนนไอเมืองอะไรลำพูนยกทัพไปแค่สองร้อยคนนกองทัพหอกอะไรงักนใก็ทำไมสาบเกยก็สามารถเอาต้นยาต้นอะไรมาเป็นทหารได้จะเพิ้งไล่ฟังเลยต่อมาพอสอนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดิบห้ายกทัพไปตีเชียงใหม่แต่ต้องสเด็จกลับกลางทางเพราะทรงประบัญชวลนี่ พระพัมาสาประชาชนสพอศหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดตีเชียงมาอีกกว่าต้อนพวกคนแล้วก็กลับได้เณิตีได้แล้วมาพอศหนึ่งพันเก้าร้อยกสิเก้าพระบรมราชาดีสองสวรรคตรโอรสทรงพระนา ม, มาพรราเมศวรไม่ชอบชอบสนกันจริงๆ อรรถคือพระราเมศวนครอราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมรัพระบรมไตโลกกนา่านนี่ตอนนี้เขาบอกว่าคุณแผนตายก่อนไม่ใช่พระยาเจ้าพระยาการบุรีเพราะพระพยาเจ้าพระยาการบุรีนี่ความจริงเดี๋ยว ท่านพระเจ้าท่านผู้เ่าบอกว่าท่านมีอายุมาท่านเกิดมันตั้งแต่สมัยโน้นมาตั้งแพ่อพระเจ้าสามพญาแล้วก็ท่านไปจำพระเจ้าพญาการบุรีตอนท้ายเป็นเจ้าพญาไปจำสิงกินวาตาอยู่ที่การจนบุรีตายตายก่อนแั้วก็ยังไงก ยังยังไงย่องคำยังไงก็มันงั็นว่ากันไปก็แล้วกันต่มาพศหนึ่งพันเก้าร้อยิบเก้าพระบระมราชดีสองสวรรคตอรสถคือพระราเมศสวนครองราชสมภพ น, นามว่าสมเด็จพระบระมโลกรนาดใตรโลกก น, นาดพศหนึ่งพันแปดร้อยสามิบสามพระเจ้าเชียงใหม่ตีสังการตี ตีเมืองซาการาวคือกำลังเพชรไม่สาเร็จจะสาเร็จได้ยังไงแล้วคนสำคัญมาครองเมืองนี่นาอตอนนี้พระเบรมาโอตายโล ก, ก น, นาฏเลยยังเด็กอยู่นะรู้สึกว่ายังมีความเป็นหน่มมากอายุเมื่อครอราช จ, จริงๆเนี่ยเห็นจะมีอายุไม่ ไม่เกินยี่สิบปีเป็นคนผิวขาวสวยสวยท่าทางดียิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาดีสดชื่นลักษณะเป็นคนเจ้าชูแล้วก็เข้าถึงประชาชนคู่ครีตีมงก็งบมันดาประชาชนไม่ไม่วางตนเป็นเจ้าใหญ่ในโตเอาเอาคนสำคัญมาเกิดอีกนี่เป็นนั้นว่าเจ้าเชียงใหม่ตีสังกังราวไม่สำเร็จ พศหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเมืองมะละกาแข็งเมืองพราบรมมตโลกกันน่ายก็ส่งทัพไปปราบแต่ปราบไม่ยักได้ฮะพศสองพันสี่ร้อยสองพันสี่เมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยปดิแปดพศสองพันสี่เจ้าเมืองเฉลียงหนีประโยกับพระเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ตีสุขโขทัยได้ พระมรรมในโลกนาจริงยกทัพเข้าไปตีไปตีสุขโขทัยกลับคืนมานอยากมาแย่งไม่ตีเฉยๆนะฆ่าเขาเยอะแล้วก็พอศสองพันสิบหกยกทัพไปตีเชียงใหม่พินทราชาราเจโอรสสวรรคตในการสู้รบที่ลำปาง จึงเรด็จประมัพที่พิศนโลกพศสส2 0 1 7ยกทัพไปตีเมืองเชียงชื่นมีชัยชนะพศ2518สสคุณศรีอยุทยากรงศรีอุทยากับลานนามีสัมพันธรรมิตรีท่ากันคืนไม่มีเาทำสัมพันธมิตรีจะตีเอา ถามว่าจะยอมเป็นเพื่อนหรือว่าจะยอมเป็นขี้ข่าถ้าจะยอมเป็นขี้ข่าก็จะตีมาเป็นขี้ข่าถ้าไม่ยอมเป็นขี้ข่าก็รีบมาเป็นเพื่อนเขาก็เลยมาเป็นเพื่อนมาพอ ส, สองพันสิบเก้าเกิดศึกชิงราชบัลลังก์กลางเมืองนะในเมืองแยกออกเป็นสามพวก พิยาธรรมราชาพวกหนึ่งกองทัพไทยไปช่วยคอทัพไทยไปถึงสามพวกก็สงบจิงตั้งพระธรรมราชาเป็นกษัตริย์นี่หมายถึงว่าเชียงใหม่ลลานานะที่ลานนาอลลาน า, น า, า, น า, นาก็ชียงใหม่พอศสองพันยี่สิบสร้างเมืองนครไทย ในพอ2018 ส, ส, ส, สาเอสมเด็จพระบรมไตรโลกก น, น่านก็สวรรคตรพระบรมราชาราชโอรสครราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สามมนนีราชการนี่ถลาย่ก็ลืมบอกมาเสียแล้วนี่เป็นราชการที่เจ็ดผ่านมาแล้วนะนี่เป็นราชการที่เจ็ด ตอนนี้ก็เห็นจะเป็นราชการที่แปดพระบรมราชาที่สามเป็นราชการที่แปดแล้วอ่าปรดีก็จะลืมลืมนปละอ้าวก็ลืมเขียนไว้นี่นะนี่พระบรมราชานีสามนี่เป็นราชการที่แปดเมื่อราชการที่แปดคือพระบรมราชานีสามของราชนี่เขาว่ายัางไงพอสชื่อว่าพอสอสองพัน ธานี 3, สมสมเด็จพระบรมมติโลกกนราสวรรอคตพระบรมราชาราชโอรสครองราชสมภนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สามนีพศสองพันสองมอญเตียมือถวายไปจึงยกทัพไปตีถวายกลับคืนพศสองพ ส, 4, สมเด็จพระบรมราชาที่สามสวรรค์คด อนุชาต์ตามพระมารดาครองราชนี่เป็นเหตการที่เก้านะพระราชาตามประมารดาพระอนุชากน้องชายตามพระมารดาครองราชแทนแล้วก็มีนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองมาพอสอ สองพันสี่สิบสามอันนี้มาถึีริการที่เก้าแล้วนะหล่อพระศีสันเพชรพศอพอพอสองพันห้าสิบพระยอดเมืองแก้วเชียงใหม่ยกทัพมารบรบกกวนขเมืองฝ่ายเหนือพศสองพันห้ารอยสิบเอ็ดพระเจ้าพระเจ้าพระยาจันทราชาเมืองกำเนิน ได้ตัดชินใจมาพึ่งพระบรมโคดีสมภา์พศ2550พศ2552 <c oughs> พญากระลาโหมนำทัพตีตีลันนาได้เมืองแพรและเมืองน่านพศออ2553พตุเกตตีมัตการได้ได้ทราบว่าอยู่ในความปกครองของไทย แม่ทัพยังส่งทูตนำของมาถวายได้โปรดให้รับรองทูตไปอันดีพศอสองพันห้าดิบห้าเจ้าพยาอะไรเจ้าพยายศราชาโอรสพระศรีสุคนบอกว่าโอรสพระศรีสุคนถ้าบายกระสัยเขมรหนีกบทมาเมื่อมาพึ่งพระรมโควดิสมพันธไอ้เขมรนี่มันแบบนี้เสมอ เวลานี้มันก็แบบนั้นมันกัดลงงงงงงง ง, งพอจะตายขึ้นมาก็มาพึ่งไทยให้การให้เขาพึ่งเนี่ยดีก็ดีไม่ดีมึงมังมันก็กลืนชาติเอาไปเสียนี่พสสองพันห้าสิบแปดลานนายกทัพมารุกรานสุขโขทยัยและกำแพงเพชรสองครั้งจึงทรงยกทัพมาตีลานนาจนตีได้ลำปางและจึงกลับ ตั้งพระอาทิตย์วง์เป็นพระบรมราชาครองพิสันนุโลกพศ2509เจ้าพญาจันทราชาแล้วก็เจ้าพญายศ ร, ยยยยรายศยศนะราชายกทัพไปตีเขมรมีชัยชนะเจ้าพญาจันทราชาจึงยกตัวเป็นกระส่ายเขมรที่เมืองโฟติสัตดูฟังดูคำเมลง้นะฟังดูเขา ไอ้เจ้าคำเมนเนี่ยมันไม่มีอะไรจะดีอแล้วต่อไปก็ดูต่อไปพอศสองพันหกสิบเอ็ดพระเจ้ามาโนเอ็นนะกษัตริย์โปรตุเกสส่งราชยทูตมาเจริญพระราชมัยตรีพอศสองพันเจ็ดสิบสองสมเด็จพระบรมราชานุสวรีสามสวรรคตราชโอรส คือพระอาทิตย์วง์ครองราชสมวัณณ์าว่าสมเด็จพระบรมราชาดีศีนี่เป็นราชการที่สิบแล้ ว, าาวนะยามดีนะงั้นไล่ราจการกันไปไม่งั้นจำกันไม่ได้มาพอศสองพันเจ็ดสิหกสมเด็จพระบรมราชาดีศีเป็นไข้ธรรพิษสวรรคตตายระรัตสดากุ ม, มาร ถ้าชนมายุสี่สรษาครางราชนี่เป็นราชการที่สิบเอ็ดท่จะครองราชได้กี่วันน่นปะป่ะยอายุ <c oughs> ยสี่ปีและพอสองพันเจ็ดิเจ็ดพระชัยราชาพระนุชาสมเด็จราชการที่สี่ปลดพระรัศดาที่ราชกุ ม, มารหลังจากครองราชย์สมบัติได้ห้านาเดือน แล้วครองได้ยะสมเด็จบัตรแทนสรงพระ น, นามว่าพระชัยราชาธิราชเป็นราชการที่สิบสองรักาลที่สองนี่มีนามว่าพระชัยราชาธิราชตรงนั้นก็ยังดีที่เป็นราชาได้ห้าเดือนดีเหมือนกันพอศสองพันแปดสิเอ็ดพระเจ้าตะเวงเทวีตกรบบุเรงนองตีเมืองเชียงกรานนะ เชียตราหรือว่าเชิงการได้พระชัยราชาธิราชเขาตีได้เนี่ยพระชัยราชาธิราชเอามตีเมืองเชีงการได้พระชัยราชาธิราชยกทัพไปตีเมืองเชิงการกลับคืนมาชาวโพริุเกตรับปราสาสมัครเมืองรอยี่สิบคนร่วมรบด้วยพอสสองพันแปดร้อยสามเจ้าพญาจันทราชาของประเทศกมิูชทั้งหมดแล้ว ได้ช้างเผือกหนึ่งเชือกทางกรุงศรีอยยาเตือนไปนแล้วบอกว่าได้ช้างเผือกเอามาให้ฉันเตือนไปนแล้วก็ไม่ยอมถาวายเพราะไรชาพระชายราชาที่ได้จึงยกทัพไปตีแต่ก็พ่ายแพ้เขาเหมือนเหมือนเลยไม่ยอมขึ้นกับไทยตอนนั้นก็ขึ้นกับไทยอยู่แพ้เขานี่ พศ288พระชัยราชาธิราชตีเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ยอมสวามิภักดิ์แต่หลังจากนั้นสองสามเดือนเชียงใหม่ก็กลับแข็งเมืองใหม่จึงไปตีอีกคราวนี้ตีไม่สำเร็จแต่ก็ไปตีลำพูนได้ตีลำพูนได้เชียงใหม่มก็แงะแก่ยูแค่นั้นตี นี่พอสองพันแปดสิบเก้าพระราชัยราชาธิราชสวรรคตเอาละสี่ม่นะนีอะไรอีกการที่1ิดสองนะสวรรคตไปแล้วตายแย่งเข้ามาพระโดนก็อยู่เพร่แก้วฟ้าราชอโอรสพระชนมายุสิบเ็ดปีครองราชอ่าได้การที่1ิดสามเพื่ครองราชอยู่กี่วันเล่ายุ11สิเอ็ดปีไปเถิด ตอนนี้ก็มาถึงพศอ291อนี่ความจริงค่งอยราชอยู่หลายวันเหมือนกันนะพศอ289อมาถึงพศอ291อ ก, ก็ประมาณสี่ปีหรือสามปีคุณวโรงสาธิราชาสชวเท้าศรีสุ ด, ดาจันท์ ราชมันดาข้าพระแก้วฟ้าพเอเถอดข้านาตาใกล้หมดครบคิดจำปลงบันชนพระเจพระเจกาขพระแก้วฟ้าขึ้นครองราชสัมบัติได้สี่สิบสองวันอันนี้เป็นราชการที่สิบสี่นะราชการที่1ิบสี่คุณวโรงสาธิราชเนี่ยสี่สิบสองวันข้าได้การร่วมใจกันจับสำเร็จโทษทั้งสองคนและเชิญ พระเพียรราชานุชาตามพระมารดาของมระชายราชาขึ้นครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าจัากรพรรดิเป็นราชการที่สิบห้ามาพอศสองพันการ้อสองพมายกทัพมาประชิดพระนครสมเด็จพระเจ้าจัาจากรพรรดิทรงช่างทรงชนช่างกับพระเจ้าแปร พระศรีสุดิโยไทยสายช่างเข้าช่วยพระราชาสวามีพระเจ้าแปลฟันสมเด็จพระศรีสุดิโยไทยสิ้นพระชนไทยรักษากรุงไว้ได้จนทัพพระมหาธรรมราชาจังหวัดพิษณุโลกคือเมืองพิษุโลกมาช่วยพระมาจึงถอยกลับพระมหาธรรมราชากับพระรามีสวนติดตามไปตีทัพพระา เลยถูกพม่าจะเป็นได้ต้องถ่ายตัวด้ช้างสองเชือกไทยตอนนี้ปั่นปนภายในทำศิกพกพม่าเขมรก็ยกทัพมากว่าต้อนชาวปพรจรีนปประมาณสี่พันคนไอคำใหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีความซื่อตรงต่อใครเดเลี้ยงมันก็เสียข้าวมอว่ากันไป พศสองพันเก้าสิบเก้าสมเด็จพระมห า, มาจากักรพรรดิให้เจ้าพระยาสวารรคโลกพระวงค์เล่าบอกว่าเจ้าพระยาองาอค์ราชโอรสขมิ้นราชบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระบรมไต้โลกนาฏยกทัพไปตีขมิ้นแต่ก็พ่ายแพ้และก็ทรงสวรรคตเสียชีวิตในการสโโู้รบ พศสองพันหนึ่งร้อยสี่พระศีสินโอรติสองเข้ามายาชัยราชาชิงราชสมบัติและถูกจับได้สมเด็จพระเจ้าจาั ก, กรพัคก็ทรงอุปสมบทให้พยักขากลับหนีไปพาคนเข้ามาปล้นพระราชวังแล้วก็สิ้นประชนพราะถูกฝืนคนดีแล้วนี่เขาสาบบบทให้แล้วนะ เขาแม่ว่าโทษกับกลายเป็นโจรพอศสองพันหนึ่งร้อยหกพระเจ้าบุเรงนองทราบว่าไทยมีช่างเผื่อเจ็ดเชือกส่งทูตมาขอสองเชือกให้ไทยแต่ว่าไทยไม่ให้ทาม่ายังยกทัพยกมาตีพิษนุโลกได้แล้วก็ล้อมกองศรียาไว้สมเด็จพระเจ้าจกักรพรรดิจึงยอมเป็นไมตรีแ้นไม่ยอมไม่ได้สู้เขาไม่ได้ ครั้งนี้ไทยต้องมอบพระราเมสวนพยาจักรีพยายสุนทรสงครามพระนเรศวรราชโอรสของมหาธรรมราชากับช้างเผือกสี่เชียกให้กับพมานี่ก็ขอสองมาให้ต้องให้สี่ให้คนด้วยมาต่อมาเจ้าเมืองตะนีที่มาช่วยรบครั้งนี้มีกำลังทหารอยู่ในกรุงเห็นไทยซี่นอำนาจแล้ว ก็ซ้ำเติมในการยกคนเข้าปล้นพระครังหลวงสมเด็จพระเจ้าจกักรพรรดิต้องเสด็จลงเรือห น, นีออกจากพระราชวังไปประทับที่เกาะมหาปราม้าตการสู้รบจงกบฏหนีลงเรือไปไอ้เจ้านี่ก็น่าดูเหมือนกันเมื่อพอสอหนึ่งอสองพันหนึ่งร้อเจ็ด พระชายาเทศถายกษัตริย์ลานช่า ง, งทรงทูดมายาวเหยียดนะมาขอพระเทพกษัตริย์ตรีราชชธิดาที่เกิดแต่สมเด็จพระศรีสุดิโยไทยแต่ได้ว่าพระเทพกษัตริย์ทรงไปชวนจึงทรงได้แก้วฟาราชิตดาอีกองหนึ่งไปพระชายาเทถจึงส่งคืนมาภายหลังจึงทรงพระเทพกษัตริย์ไป พระธรรมราชาไม่ต้องการให้ประเทกศกษัตริย์ตกประโยชนในลานช้างจึงให้คนไปทูลพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองจึงส่งทัพมาคอยดักกลางทางและจริงเทพประเทพกษัตริย์ไปขณะที่เดินทางไปสู่ลานช้าง เ, ออเวลาจะหมดสมเด็จพระเจ้าจกักรพรรดิทรงสละราชสมบัติออกบชโปรดให้โปรดให้ไปหญิงครองราชแทนต่อไป อันนี้องค์พระมหินนี่ก็เป็นพระราชาที่เป็นราชการที่สิบดินี่เป็นราชการที่สิบไปแล้วนะอขอโทษราชการที่เท่าไรนะไม่ใช่สิบราชการที่สิบหกโอ้โหเอาจําไม่ดีนะราชการที่เจอกมีนามว่าพระมหินครองราชแทนพระเจา้าจักรพรรดิเทพนี้หน้านี้มันหมดก็ถือว่าหมดไปฟังเทพตอนที่สองต่อไป